มีผู้ชายคนหนึ่งนะไปกินอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งชายคนนี้แกเป็นโรคพากินสันนะพากินสันเนี่ยมือก็จะสันเวลาหยิบอาหารเนี่ยหรือตักอาหารลำบากมากนะเพราะว่ามือสันแล้วก็แม้แต่จะหยิบขนมปังหยิบไก่ทอดใส่เข้าปากนี่มันก็ยากเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงว่า ดื่มน้ำจากแก้วหรือว่ า, าดูดน้ำนะจากแก้วเนี่ยโหยากมากนี่กว่าจะกินได้แต่ละคานี่ก็ลบากทีเดียวใกล้ๆโต๊ะของผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีแม่กับลูกนะลูกสาวนั่งอยู่ใกล้ๆทั้งสองคนก็เห็นเหตุการณ์นะแต่ว่าผู้เป็นแม่นี่ก็ทำเป็นไม่เห็นนะแต่ลูกเนี่ยอายุมาแล้ว1ิขวบลูกสาวเนี่ย จ้องมองผู้ชายคนนั้นอยู่พักใหญ่เลยนะคงจะไม่สบายใจแล้วคงจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างสุดท้ายเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะจะลุกจากที่นั่งเนี่ยไปช่วยชายคนนั้นเน่แม่รู้นะพอแม่เห็นลูกสาวลูกเนี่ยก็ชุดมือเลยจับมือไว้แต่ลูกสาวไม่สนใจนะ ลูกสาวก็อ่ า, อาสัมผัสมือก็คือว่ า, าดึงมือเนี่ยดึงแขวจากมือของแม่แล้วก็เดินไปที่โต๊ะของชายคนนั้นไปทําอะไรนะไปหยิบอาหารเนี่ยใส่ปากของชายคนนั้นนีอาหารมันก็เป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะมันไม่ต้องใช้ช้อนนะใช้มือหยิบเช่นหยิบพวกมันทอดนะหรือว่าหยิบพวก ชิ้นขนมปังเนี่ยใส่ปากผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกราบซึ้งมากนะมีอีกรายหนึ่งนะคราวนี้เนี่ยเป็นคนแก่ข้างถนนแต่แกก็เป็นโรคผากอินสันเหมือนกันนะเวลาจะดื่มน้ำจากขวดเนี่ยโอ้มันยากลำบากมากเพราะมือเนี่ยสันตลอดวเวลา เดกตัวเล็กๆคนหนึ่งนะับสกห้าขวบได้ในะผู้หญิงเห็นเหตุการณ์เนี้ยก็เดินไปที่ชายคนนั้นน่ยชายฉลาคนนั้นแล้วก็หยิบขวดเนี้ยเพื่อที่จะรินน้ำอ่าเพื่อที่จะถือขวดเนี้ยใส่ปากของชายคนนั้นเพื่อก็ได้ดื่มน้ําได้อย่างสบายเด็กเนี้ยมากับพ่อนะถึงลากพ่อก็ไม่รู้หรอก พอพ่อรู้เข้าเนี่ยโอ้ยพ่อนี่ตรงไปที่ลูกเลยแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยกลับไปที่เดิมอันนี้ก็แสดงว่าผู้เป็นแม่นะในกรณีแรกแล้วผู้เป็นพ่อในกรณีที่สองก็รู้สึกไม่สบายใจนะที่ให้ที่เห็นลูกเนี่ยไปช่วยคนที่เ้ากำลังลำบากต่างจากกรณีที่สามนะที่สามเนี่ยมีพ่อกับ ลูกสาวเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบได้ไม่กินอาหารที่พัตคาห์อย่างหนึ่งแล้วก็พอได้อาหารก็ยกถาดอาหารมากินที่โต๊ะนอกร้านนะบนถนนรนะิมถนนเด็กสาวนี่ก็เห็นนะเห็นู้อกอิงหนึงแก่ๆสมโสมเนี่ย ก็จดจจ้องจ้องเนี่ยอยู่หน้าร้านแล้วก็ดูเมนูอาหารที่เขียนใส่กระดานตัดสินใจอยู่นานอยู่เนียไม่เข้าไปสักทีไม่เข้าไปสั่งร้านไม่ ไ, ไม่เข้าไปสั่งอาหารเด็กก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าสงสัยเขาคงไม่มีเงินนะเด็กทำยังไงนะยกถาดอาหารทั้งถาดเนี่ยพร้อมกับน้ำขดเนี่ยไปที่ โตที่ว่างอยู่โตหนึ่งแล้วก็จูงมือหญิงชรากคนั้นเนี่ยมาที่โตท่านั้นไม่พอนะขณะที่หญิงชรานี่กำลังงงอยู่นะว่ า, เ, าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อาจจะทราบซึง้งในน้ำใจของเด็กสาวเนี่ยเด็กก็มานั่งเป็นเพื่อนนะนั่งเป็นเพื่อน ไม่ใช่แค่ยกอาหารให้ผู้เป็นอาจจะเป็นคนไร้บ้านไม่ใช่แค่ชวนเฉยๆให้มันนั่งแต่ว่ามันนั่งเป็นเพื่อนด้วยพ่อเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปนั่งเป็นเพื่อนหญิงชาราที่ไร้บ้านนะแกทำเป็นไงนะคิดอยู่นานนะสุดท้ายแกก็ยกถาดอาหารเนี่ยไปนั่งโต๊ะเดียวกับ ลูกสาวแล้วก็หญิงชราคนนั้นเรื่องสามเรื่องนี้นะมันเชื่นเลยนะว่าเด็กเนี่ยเขามีน้ำใจมากนะแล้วเขาไวนะต่อความทุกข์ของคนไม่ว่าทุกข์เพราะว่ากินอาหารลำบากหรือว่าทุกข์เพราะว่ า, ายากจนแล้วเด็กนี่ก็ไม่คิดมากนะตัดสินใจเลยในที่ผู้ใหญ่เนี่ยนะ อาจจะรับรู้น่าถึงความทุกงเขาแต่ว่าลังเลใจนะที่ลังเลใจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเมตตานะแต่ว่ามีความคิดที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนะใจเนี่ยมีเมตตานะแต่หัวเนี่ยนะมันคงรังเกิดมีความคิดลังเลสงสยัยหรือมีข้ออ้างก็เลยไม่ทำอะไรแต่เด็กนี่จะเรียกว่าถ้าเรื่รูกภาษาจานคือเด็กไม่คิดมากนะ เขาใช้ความรู้สึกใช้หัวน้อยนะแต่ว่าใช้ใจเยอะนะเด็กเห็นแล้วก็สงสารก็ทําเลยและมันก็ช่้เห็นะว่าเด็กเนี่ยหรือมนุษย์เราเนี่ยนะมีความเมตตากรุณาเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วขอแบบนี้ไม่ต้องสอนนะบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนด้วยซ้ําหรือบางทีพ่อแม่ก็อาจจะสอนอีกอย่างนะอย่างพ่อแม่อสองกรณีแรกเนี่ย ลูกจะไปช่วยแล้วนะแต่แม่นี่ฉุดเอาไว้หรือว่าลูกช่วยแล้วแต่พ่อนี่ก็อุ้มลูกนะออกไปนะจากให้อยู่ไกลจากชายชาราที่เป็นโรคพาร์กินสันอันนี้เห็นเลยนะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับลูกนะอาจจะเป็นเพราะรักลูกแล้วก็อาจจะคิดระแวงสงสัยว่าเนี่ย เดี๋ยวจะมีปัญหากับลูกนะในขณะที่พ่อคนที่สามเนี่ยนะจะช่วยนะสนับสนุนลูกนะถือถาดอาหารไปนั่งกินอาหารโต๊ะเดียวกับหญิงชราคนนั้นนะพร้อมๆกับลูกสาวจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความเมตตากรุณาเนี่ยของเด็กเนี่ยมันไม่ต้องสอนนะ พ่อแม่ไม่ต้องสอนก็ได้ขอเพียงเดียวคือพ่อแม่นี้อย่าขัดขวางนะเพราะพ่อแม่จานวนมากเนี่ยก็สอนลูกอีกอย่างหนึ่งนะว่าเจอแบบนี้เข้าอย่าไปช่วยเขานะต้องระวังนะคนแปลกหน้าอย่าเข้าไปเข้าเข้าใกล้นะงัส่วนใหญ่สอนกันแบบนี้นะหรือถึงไม่สอนด้วยวาจาก็สแสดงให้ดูหรือทำให้เป็นให้เด็กเขาเห็นเช่นเอามือฉุดลูกเอาไว้ฉุดแขนลูกเอาไว้ หรือว่าอุ้มลูกออกไปจากหญิงชายชราคนนั้นแต่จริงการสอนเนี่ยนะเพียงแค่พ่อเนี่ยนะแสดงความสับสนุนลูกเนี่ยนะว่าเออลูกทำอย่างนี้เนี่ยพ่อเห็นดีด้วยแม่เห็นด้ดวยนะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเนะมตตากรุณาในใจของเด็กนะแต่เดี๋ยวนี้เรามักจะสอนตรงข้ามแม้เราแม้ปากของพ่อแม่พูดว่าเนะี่ยคนเราควรมีน้ำใจนะ แต่พอลูกเนี่ยแสดงน้ำใจกับคนแปลกหน้าคนที่ลำบากนี่ก็จะห้ามทันทีเพราะว่าเป็นห่วงลูกมั้งปรารถนาดีแต่นี่มันเป็นการสอนที่ทำให้เด็กจำนวนมากเนี่ยก็กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไปที่จริงควรจะสอนนะหรือสนับสนุนนะให้เมื่อเด็กมีน้ำใจก็ควรจะสนับสนุนเขาแต่ก็อาจจะบอกเพิ่มเติม่าก็อาจให้รู้จักระมัดระวังนะหรือว่าให้รู้จักต่ความพอดี อันนี้แหละนะคือสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้นะส่งเสริมลูกนะหรือว่าไม่ขัดขวางลูกนะเวลาลูกจะช่วยเหลือใครแล้วก็ให้กาลังใจนะวิธีนีจะเป็นการนะสอนที่ดีนะให้กับเด็กนะซึ่งทำให้เด็กเนี่ยรู้ว่าคุณธรรมที่สำคัญคนเราเนี่ยคือความเอือ้อเฟื้อและเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเด็กนะ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ได้รับความช่วยเหลือความมีน้ำใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ย ม, มันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากจะเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้แต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะที่มีความหมายนะต่อคนที่ได้รับความช่วยเหลือเรียกว่าเขาซาบซึ้งใจอาจจะไปตลอดชีวิตเลยก็ได้จากความเอื้อเฟอื้อแม้เพียงเล็กน้อยนะของคนคนหนึ่ง